5.10 ถ้าพิจารณาความตายเนืองๆจิตใจจะสงบสบายวงเล็บเปิด24กุมภาพันธ์2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดอย่าประมาทนะแต่ละคนนะเราตายเมื่อใดก็ได้ถ้าเราคิดเรื่องความตายบ้างใจจะสบายมีความสุขมันสงบอย่างบางคนมันตีรันฟันแทงกับเข้ามากแย่งชิงกันมากอะไรเนี่ยนะคิดว่าจะอยู่อมตะแย่งตาแหน่งกันอะไรกัน ถ้าพิจารณาความตายเนืองๆจิตใจก็สบายสงบหน่อยแต่เดิมหลวงพ่อตอนเด็กๆได้ยินเขาบอกนะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ที่จริงเลือกได้เราจะเกิดเป็นอะไรเราเตรียมพร้อมทำของเราเองไม่มีใครเขามาบันดาลให้เราเกิด